ห้องสมุดคอฟิลเพื่อคนตาบอดของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถรัรมภ์เลขที่78ทับ2ถนนติวานนท์อำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีเพชรพระอุมาภาค3ตอนมงกุฎไพรบทประพันธ์โดยพนมเทียนพิมพ์และจัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์หันสา ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์และครั้งที่พิมพ์อ่านโดยมณีรัตน์อัศวิศราพร